บทที่77ติดทกรครูทั้ง6กลางดึกคืนหนึ่งหลงพ่อในป่า ก, กับพระครูเจริญเดินทางไปยังดงพญาเย็นภิกษุรัตรัญโยบอกท่านพระครูว่าที่ต้องไปยังป่าแห่งนั้นก็เพื่อจะให้ผู้ที่เป็นสิทธิได้ฝึกตนจนชินกับความยากลำบากและฝึกการอยู่ยังไม่ขาดสติเนื่องจากดงพญาเย็นเต็มไปด้วยภัยอันต ร, รายนานาประการ หากขาดสติเมื่อใดเมื่อนั้นอาจได้รับพยันตรายถึงแก่ชีวิตได้อย่าลืมนะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้คาถาย่นระยะทางหลวงพ่อดากำชับขณะเดินนำหน้าสิทธิ์ไปในความมืดสลวัวถ้าจำเป็นก็ใช้ได้ใช่ไหมครับและผมจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไรจำเป็นเมื่อไรไม่จาเป็น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 เรารับรองว่าจะไม่พลัดกับเธอไม่ว่าเธอจะใช้คาถาหรือไม่ใช้ก็ตามอ๋อมีอีกอย่างที่เราจะบอกแต่ก่อนอื่นตอบรมกรว่าสมเด็จโตท่านบอกอะไรไว้ในตอนที่พบท่านที่ประเทศสีลังกาหลวงพ่อทราบเด้อเหรอครับว่าผมได้พบกับท่านทำไมเราจะไม่รู้ละ่ะอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเธอแล้วเราไม่รู้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 ว่าท่านบอกอะไรท่านบอกหลายเรื่องครับหลวงพ่ออยากทราบเรื่องไหนผมจะได้ตอบให้ตรงจุดไม่เช่นั้นหลวงพ่อก็จะหาว่าผมพูดอ้อมค้อมท่านบอกเธอใช่ไหมว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงรานี่แหละที่เราต้องการให้เธอจำและนำไปใช้ในยามคับขันหมายความว่ามื่อถึงกล่าวคับขัน สมเด็จเตลท่านจะมาช่วยผมถ้าผมคิดถึงท่านอย่างนั้นใช่ไหมครับและหลวงพ่อจะไม่ช่วยผมหรือครับในเมื่อหลวงพ่อกับผมเดินทางไปด้วยกันหรือว่าหลวงพ่อคิดจะทอดทิ้งผมผมยังไม่แก่กล้าพอที่จะเดินไปในป่าดงพะยาเย็นแต่เพียงผ่เดียวนะครับหากถูกทอดทิ้งผมก็มอดมวยมรนาชีวาวายแวบเป็นปลาแปะปิ้งอย่างแน่นอน ท่านใช้สำนวนที่ใช้มาจนชินอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยเราไม่ทอดทิ้งสิทธ์หรอกนะเพียงแต่จะสอนให้เธอรู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทันท่วงทีเท่า น, นั้นเองที่สมเด็จโตท่านพูดว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรามีความหมายลึกซึ้งมากให้เธอจำไว้ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ทิ้งสิทธ์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 แล้วท่านจะช่วยเธอได้ส่วนจะคิดเรื่ององค์ไหนนั้นให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เมื่อถึงเวลาเธอจะรู้เองว่าควรจะคิดถึงหลวงพ่อองค์ไหนภิกษุรัตัญโยพูดเป็นปริศนาผมเห็นจะต้องคิดถึงหลวงพ่อดำก่อนองค์อื่น แน่นอนอย่าเพิ่งพูดในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนความแน่นอนที่แท้คือความไม่แน่นอนเอาละเราขอไว้เท่านี้ก่อนแหละสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินป่าคือต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าอยู่อย่างคาสติแม่นาทีเดียวแล้วคืนนี้ผมจะได้นอนไหมครับถ้ายังห่วงเรื่องนอนอีกรอ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 กรรมดีกรรมชั่วตัวเองทําให้ตัวเองเวลาเธอสวดมนต์ทำวัดเย็นเธอต้องพิจารณาใช่ไ้ยเที่ยวเรียกว่าอภินหาหปัจจเวทไหนลองบอกมาซิว่าอภินหาหะปัจจเวทข้อที่หมีอะไรบ้างกรร ม, มสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรร ม, มทายาโทเราจะต้องรับผลของกรรมกรร ม, มโยนี เรามีกรรมนำมาเกิดกรรมมะพันทุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันพวกพ้องกรรมมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิเรากระทำกรรมอันใดไว้กลยานางวาปาปะกังวาเป็นบุญหรือบาปตัดสะทายาโทพวิษามิ เราต้องรับผลของกรรมนั้นภิกษุไว45ว่าอย่างคล่องปากนี่แหละคือสิ่งที่บรรพชิตและคฤหัดพึงพิจารณาเนืองเนืองโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายที่ว่ายังกรรมมังกลิษามิกาลยานางวาปาปังวาตัสะทายาโทภวิษามิตรงนี้แหละที่ย้ำเตือนว่าเราทำกรรมดีกรรมชั่วเราต้องทำให้ตัวเอง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 จะใช่พระอุตระหรือไม่หากท่านตอบว่าสองร้อยปีก็แสดงว่าใช่จะกี่ปีไม่สำคัญสำคัญที่ความสนใจต่างหากคนเขาไม่สนใจต่อให้เกิดร่วมสมัยกับพระองค์เขาก็ไม่ยอมรับนับถือไม่เลื่อมใสศรัท ธ, ธาที่เรียกว่าติดทกะระนั่นแหละติดทกกะระ แปลว่าเจ้าลัทธิเหรอครับถามสิทธ์ด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถูกแล้วอาจารย์ตอบโดยไม่ต้องหันมามองผมเคยได้ยินชื่อเจ้าลัทธิหกคนที่ใครๆก็าพากันเรียกว่าครูทั้งหกคนเหล่านี้เป็นเจ้าลัทธิร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า แต่ไม่เลื่อมสายในพระพุทธองค์เพราะเป็นผู้ดิ่งในความคิดของตนพวกเขาจึงต้องพลาดโอกาสอันดีไปอย่างน่าเสียดายแบบนี้ต้องเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างใช่ไหมครับก็คงจะอย่างนั้นแต่ว่าเธอรู้หรือไม่ว่าครูทั้งหมีใครบ้างในพระไตรปิฎกก็บอกไว้เธอเคยอ่านหรือเปล่าเคยครับ แต่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่เล่มที่เท่าไรจำได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงระบุนามคณาจารย์ทั้งหกคนและทรงแสดงให้เห็นว่าแต่และคนมีความคิดเห็นแต่และคนมีความเห็นผิดอย่างไรบ้างถ้าผมจำไม่ผิดติถะกระคือครูทั้งหกได้แก่บุลนกัสปะมัคคลิโคสารอาชิตะกัมพล ปกุฎธธกัจจยนะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนาตบุตรผมตอบถูกหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดนี่นะและเธอรู้ไหมว่าในบรรดาครูทั้งหที่กล่าวมาเนี่ยใครมีบทบาทเกี่ยวกับพระพุทธองค์มากที่สุดนิครนาตบุตรใช่หรือเปล่าครับเธอมีเหตุผลอันใดจึงกล่าวเช่นนั้นเหตุผลก็คือนิครนาตบุตร หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามหาวีระนั้นเป็นศาสดาของศาสนาเชนคอยแข่งดีแข่งเด่นกับพระพุทธองค์มาโดยตลอดเคยส่งนางจินจมานวิกามาใช้แผนทำลายพระพุทธศาสนาบังเอิญไม่สำเร็จมิฉะนั้นชาวโลกคงไม่รู้จักศาสนาของพระสมณะโคดมบาปกรรมที่นางกระทำยังผลให้นางถูกทรณีสูบ ในวันนั้นทีเดียววันที่นางคิดว่าชนะแล้วหลังจากที่ใช้เวลาถึง9เดือนสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกให้คนเชื่อไม่มีใครทําลายพระพุทธศาสนาได้เพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์บริสุทธิ์หมดจดไม่มีใครมาทําให้แปดเปื้อนได้ในอนาคตจะมีนักบวชพวกหนึง่งที่พยายาม ต, ตั้งตนเป็นศาสดาแข่งกับพระพุทธเจ้า แล้วก็จะมีพวกวิชาทิติยอมตนเป็นสาวกพวกเขาต้องการจะกรองโลกเพราะอำนาจของโลภะและวิชาชักนาไปแต่ในที่สุดเขาก็จะไปไม่รอดเมื่อกรรมของเขาปรากฏก็จะทุกทนหม่นไหม่ร้อนรนกรนกระวายจนหาความสุขไม่ได้เลยนี่เป็นวิบากกรรมในชาตินี้แล้วชาติหน้าเขาจะเป็นอย่างไรครับ ผมหมายถึงว่าเมื่อเวลารับดับชีพแล้วเขาจะต้องไปชดใช้กรรมอีกหรือไม่กรรมที่ทำกับพระพุทธศาสนารนุนแรงพอๆกับอนันตริยกรรมเชียวนะเพราะฉะนั้นผู้กระทาจะต้องได้รับกรรมในชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่ อ, ตอไปจนกว่าจะชดใช้กรรมหมดแสดงว่ากรรมนั้นเป็นทั้งทิฏฐธรรมเวทนยกรรม อุปัชเเวทนิยกรรมและอัปาราปริยะเวทนิยกรรมเลยเหรอครับแล้วโอกาสที่จะเป็นโอโหสิก ร, ร ม, มีไหมครับมีแต่โอกาสที่ว่านั้นเป็นไปได้ยากมากกล่าวคือจะกลายเป็นโอโหสิก ร, รมได้ในกรณีเดียวคือบุคคลนั้นจะต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8กระทั่งบรรลุพระนิพพานกระนั้นจึงจะ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 ท่านต้องชดใช้กรรมในนรกอเวจีนานแสนนานถึงขณะ น, นี้ท่านก็ยังอยู่ในอเวจีแต่เมื่อท่านพ้นกรรมจากนรกอเวจีแล้วท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปจเจ ก, กพุทธเจ้าคือท่านไม่ได้บรรลุพระนิพพานอย่างเดียวแต่ได้เป็นพระปจเจ ก, กพุทเจ้าอีกด้วยเพราะอานิสงส์ที่ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา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 หน้าโงกตั้งแต่นั้นมาผมไม่ถามอีกเลยแล้วก็ไม่เรียนด้วยแล้วก็จำมาจนบัดนี้ไหนบอกมาซิว่าวัตถุห้าประการมีอะไรบ้างอาจารย์ถามอีกสิทธิ์จึงตอบเป็นการเป็นงานว่าข้อหนึ่งพิษุท์ทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษสองข้อ ภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวถือบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมนต์รูปนั้นพึงต้องโทษข้อสภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีขหบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษข้อสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงบาง รูปนั้นพึงต้องโทษข้อห้าพิุท์ทั้งหลายมิพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษนี่คือวัตถุห้าประการครับแล้วพระพุทธองค์ทรงอนุญาตหรือไม่อาจารย์ถามอีกสิทธิ์ก็ตอบเป็นการเป็นงานอีกว่าครั้นพระเทวทัตทูลขอวัตถุหประการดังกล่าวนี้แล้วพระผู้มีพระภาค ไม่ทรงกล่าวอนุญาตขณะเดียวกันก็ไม่ทรงกล่าวห้ามพระองค์เพียงแต่รับสั่งกับพระเทวทัตว่าขอให้เป็นไปตามความปรารถนาของภิกษุกล่าวคือรูปใดปรารถนาจะถืออยู่ป่าเป็นวัดก็ทำได้หรือรูปใดปรารถนาจะอยู่บ้านก็ไม่ถือว่ามีโทษข้อสองข้อสามทนองเดียวกันส่วนข้อสพระพุทธเจ้าตรัสว่า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 ตนทูลขอวัตถุห้าประการแต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตและแม้แต่ว่าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตพวกตนก็จะสมาธานประพฤติตามวัตถุห้าประการนี้เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มักน้อยเมื่อพระเทวทัตประกาศเช่นนี้ประชาชนทั้งหลายมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างประชาชนทั้งหลายก็แบ่งออกเป็นสองพวกครับคือพวกที่ไม่มีศรัทธา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 ย่อมประสบโทษทั้งกับย่อมไหม้ในนรกตลอดกับแต่พระเทวทัตดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระพุทธองค์จึงต้องลงอเวจีแต่ก็ยังดีนะครับที่ท่านยังมีโอกาสจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตเออหลวงพ่อไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรอครับที่เดินไปพูดไปอย่างเนี้ยเธอเหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะ